ก็เรียกว่าเป็นวันที่เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จดำเนินด้วยพระบาทปล่าเนี่ยเจ็ดเก้าแล้วพระองค์ก็ชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วก็ชี้ลงข้างล่างแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาที่บอกว่าอคโคหามัสมิโลกัสะเชโทหามัสมีโลกัสะ เศรษฐโอมั ส, สมิโลกาสะอายมัติมาชาตินัติธานิบุณภโวให้สังเกตดูมีอยู่สามควหมายคําว่าอักโคคืออัคคะก็แปลเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกแล้วก็อักโอมัสมิโลกาสะเชโโเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเจริญที่สุดในโลกแล้วก็เศรษฐโอะเราจะเป็นผู้ perse ที่สุดในโลก มีคําว่าอาคาัคฆเชิเชิดถแล้วก็เศษฐถาอาคฆเนี่ยแปลว่าเลิศที่สุดเชิดถาก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเจริญที่สุดส่วนคำว่าเศษฐถาก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นการประกาศยืนยันอาสภิวาจาก็คือวาจาที่องค์อาดหรืออาถานกล้าเปล่งวาจาในคำคำนั้นออกมาเพื่อประกาศยืนยันว่า ตนเองจะฝึกตนเองให้เป็นผู้เลิศให้เป็นผู้เจริญที่สุดแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดให้ได้ให้จงได้จะเพียรพยายามในการฝึกทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาของตอนเองให้เป็นบุคคลที่เข้าถึงความประเสริฐเลิศที่สุดสูงสุดในโลกในประีนี้ให้ได้อันนี้เป็นการยืนยันให้เห็นชัดว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเกิดมาก็ยอมจำนนตนเองอยู่กับเทพเจ้า ยอมจำเน้นจำนนอยู่ตนเองกับพระพรหมผู้สร้างยอมจำนนอยู่กับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะถอนตนเองออกจากความกลัวออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้นั่นคือเป็นการปฏิวัติเป็นการที่ประกาศยืนยันว่าท่านจะมาในฐานะมนุษย์ยก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความเลิ่ความประเสริฐและสูงสุดเทได้ ฉะนั้นวันนี้เป็นวันเหมือนเป็นการประกาศโบราณก็บอกว่าเป็นคาถาเปิดโอดก็คือเปิดปากเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ให้พูดคํานี้เป็นคําแรกทุกวันเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดและเราจะทําในภพนี้แหละในชาตินี้แหละในอัตภาพนี้แหละไม่ใช่ไปรอทําชาติหน้าหรืออัตภาพหน้าจะทําอัตภาพนี้แลชาตินี้ให้ครอบคลุมความเป็นผู้เลิศ แล้วเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วในที่สุดจริงๆเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านทำได้จริงๆท่านก็ระดมทั้งทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีแล้วก็ฝึกตนเองสังเกตตอนพออายุยี่สิบเก้าท่านก็ประกาศแล้วก็สเสด็จบรรพชาออกพนันหุ แล้วบำเพ็ญเพียรด้วยความตั้งมั่นบำเพ็ญทุกขกา ร, กริยาอยู่หกปีใช่ไหมแล้วในที่สุดจริงๆท่านเห็นว่านั่นไม่ใช่แนวทางก็ปรับวิธีการปฏิบัติใหม่จากการที่บำเพ็ญทุกขกา ร, กริยาท่านก็เริ่มมาฉุกคิดบอกว่าอันนี้คงไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ธรรมแน่นอนเพราะการที่เอกอะบุคคลอย่างท่านเนี่ยมีพลังขนาดเนี้ยเพียรจนถึงขนาดว่า จนลมหายใจจะขาดแล้วเนี่ยถ้าเพียนไปอีกไม่เกินหกหเจดนาทีเนี่ยใจขาดตายก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยก็คือทิ้งอัตภาพท่านบอกแนวทางนี้ไม่ใช่แน่นอนที่ในบรรดาคนเพียนกันมาทำในอดีตเนี่ยไม่มีทางจะบรรลุได้ในแนวทางนี้ท่านก็ย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กตอนนั้นท่านอยู่ที่ใต้ต้นว่าตอนพระบิดาทําจดมงจรเดมงคคแรกนาก่า ท่านยังปฐมมชานที้ตั้งขึ้นโดยการกําหนดอาณาปณะสติท่านก็เลยบอกว่าฉลอยว่าหนทางนี้ต้องเป็นน้นทางการตรัสรู้แน่นอนท่านก็เลยว่ามาทําร่างกายให้ตนเองให้แข็งแรงขึ้นมาแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญท่านทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นจากการเดินอาณาปาณะจนได้ จ, ดจดตุทัตฌานต่อจากจตุทัตฌานได้ลุบฌานอีกสี่ก็เรียกสมาบัติแปด แล้วท่านอภินายายเกิดขึ้นแล้วหลังจากวันที่ท่านจะตัดสรู้ก่อนหน้านั้นนท่านกระทรงสุบินานิมิตแล้วก็ต่อมาท่านก็ไปรับข้าวมาทุบปายาตจากนางสุชาดาพอรับข้าวมาทุบปายาตแล้วท่านก็ทําออกว่าเป็นสี่สิบเก้ากอนแล้วก็ฉันแล้วท่านก็อธิษฐานลอยถาดทวนถาดก็ทวนกระแสไปแปดสิบสองแล้วก็จมลงแล้วท่านก็ข้ามฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่ง ซึงปัจจุบันก็เป็นฝั่งที่บ้านของนางสุชาดาเ ข, าข้าไปฝั่งข้ามมาอย่างไงตอนนั้นท่านมีอภินยาเรียบร้อยแล้วมาด้วยฤทธิ์มาด้วยกําลังฤทธิ์พอมาถึงอีกฝั่งหนึ่งท่านก็รับยาขาจากโสตยาพามที่เรียกว่ายากุศลพอมาที่ต้นอัสถสะพฤกสมัยก่อนเขาไม่เรียกต้นโพที่เขาเรียกว่าต้นโพเพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเป็นนั่งประทับและตัศรูท่านก็เดินวนดูว่าที่ตรงไหน ที่เป็นที่ที่ประทับนั่งแล้วจะตัดสรุ้เพราะที่ที่ท่านหามาเนี่ยหกปีมาเนี่ยหาที่ตรงนี้ไม่เจอที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทกพระองค์ไม่ทรงลักถ้าไม่ได้ที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ความเป็นสปายะคือหนึ่งอาวาสปายะสองอุตูสปายะเป็นต้นเหล่านี้ถ้าไม่ได้สปายะตรงนี้ก็ไม่เป็นปัจจัยการแทงตลอดและท่านก็ได้สถานที่ตรงนี้ ท่านเห็นว่าที่ตรงนี้มั่นคงท่านก็ปูารากแล้วก็กลายเป็นรัตนบัลลังก์ก่อนที่ท่านจะนั่งทั้งตั้งจิตยังไงท่านบอกว่าถ้คความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่เนื้อและเลือดนี่องค์ที่หนึ่งเนยจะเหือดแห้งหายไปเนยเนื้อและเลือดจะเหลือแต่หนังที่สองจะเหลือแต่เอ็นจะเหลือแต่กระดูกก็ตามทีเห็นไหมองค์สี่ไหมเนื้อเลือดหนังเอ็นกระดูก ถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกจากบลังนี้จะไม่ถอนหรือจะไม่ทําลายบันลังนี้นี่แปลว่าอธิษฐานนะทำนี่คืออธิษฐานในบา ร, รมีเห็นไหมการอธิษฐานของมหาบุรุษกับการอธิษฐานของเราต่างกันไหมพระมหาบุรุษอธิษฐานแล้วทําพวกเราอธิษฐานขอคนลทางกันแล้วนะนี่เริ่มเห็นไหมเออการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าของบุคคลที่จะเป็นพพุทธเจ้า ท่านอธิษฐานแล้วลงมือทําแต่พวกเราไปอธิษฐานว่าเจ้าประคูณขอให้ข้าพเจ้าจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนขอให้ข้าพเจ้ารวยอะไรก็แล้วแต่ประสบค ว, วามสําเร็จใช่ไหมการอธิษฐานของมหาบุรุษกับอธิษฐานของเราไปทางเดียวกันหรือคนละทางคนละทางฉะนั้นเราจะอธิษฐานอย่างเราต่อไปก็แล้วแต่เรา แต่ถ้าจะอธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าถ้าปลาถนาจะเป็นพุทธะอย่างท่านก็ต้องอธิษฐานแบบท่านคืออธิษฐานแล้วทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอรอผลโดนบรรดาลอันนี้นิ่งอธิษฐานต่างกันตรงนี้นะอธิษฐานแล้วลงมือทำเนื้อะเลือดจะเหือแหทงหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตะรสัมมาสัมพุิญาณจับไม่ทํำลายบันลังนี้แล้วท่านก็ทำแล้วที่สุดจริงๆพอปฐมยาม ท่านก็ทําพุท ธ, ธะระดับที่หนึ่งให้เกิดขึ้นเขาเรียกปุกเพนิวาสารุสติญานั้นพุท ธ, ธะเป็นที่อของปัญญาญาณที่ตัดสุขพอมัชชิมยามก็ทําจุตูปปาตยานก็พุท ธ, ธะระดับที่สองให้เกิดขึ้นพอปัจฉิมยามก็ทําอาสวัคยายานอลุณขึ้นบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละจากมนุษย์ธรรมดาฝึกตนเองจนกลายเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะและประกาศยืนยันว่าท่านได้ตัดสุข เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเราจะฝึกตนเองตามท่านเพื่อจะเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าบอกไม่มั่นใจก็แปลว่าไม่เชื่อศักยภาพความเป็นมนุษย์ก็คือไม่เชื่อไม่มีตถาคตโพธิสัต t าไม่เชื่อมั่นพุทธเจ้าพอไม่เชื่อมั่นพุทธเจ้ามันมีผลกระทบด้วยนะเราบอกเอ้าเชื่อเราเชื่อพุทธเจ้าเป็นสัมมาสมัมพุทธะแล้วเชื่อมั่นว่าท่านฝึกตนเองมาตามลําดับจนเป็นสัมมาสมัมพุทธะได้ แต่พอย้อนกลับมาถึงตนเองเข้าพเจ้าไม่เชื่อมั่นตัวเองอันนี้เสียอีกเสียประการที่สองอีกนะเออเราเชื่อมั่นที่องค์พระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในหลักการที่พระองค์ทรงทำเชื่อมั่นการที่พระองค์ได้ตรัสรู้ทําตามแบบเนี่ยแต่ไม่เชื่อมั่นตนเองเอา้าวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเธอเป็นมนุษย์อย่างเราไหมเป็น่ะ เ, เธอมีตาไม่มีหูไหม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจไหมมี แล้วมันก็มีต่างกันไหมอ่าไม่ต่างแล้วทําไมเธอไม่ทําบอกไม่มั่นใจตัวเองแล้วเธอมั่นใจเราไหมคือพระพุทธเจ้าไหมมั่นใจไม่มั่นใจมั่ม น, ใมมนใจพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ท่านแรกที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นสัมมาสัมุทธทเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเป็นอย่างท่านได้ทําอย่างท่านได้มั่นใจไหมตอนนี้กลับมามั่นใจม่คิดอย่างนี้ต่อย้อนกลับมาดูตัวเราเองอีก ชักไม่ค่อยมั่นใจอีกก็คิดต่อแสดงว่าเธอไม่มีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h ถ้ามีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h ก็ต้องมั่นใจความเป็นมนุษย์ของพระเจ้ามั่นใจความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระเจ้าและก็มั่นใจว่าตนเองก็จะฝึกตนเองเป็นพุทธะต า, ามท่านได้ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นหลักว่าวันนี้เป็นวันตรัสรู้วันนี้เป็นวันประสูติของท่านฉนั้นเชื่อมั่นว่าจากมนุษย์ที่มีกิเลสฝึกตนเองให้หมดกิเลสจะ กองทุกข์เป็นตนได้ถ้าพระเจ้ามาในฐานะเทวดามันก็ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะไม่ได้มาในฐานะมนุษย์แต่พวกเราอ่ะบางทีโอ้เราเป็นคนมีบารมีน้อยการคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าดูหมิ่นตนเองการดูหมิ่นตนเองเนี่ยเป็นการคิดผิดหรือถูกเรารู้จักตนเองแค่ไหนไม่รู้เลยอ่ะอดีตชาติเคยเป็นอะไรมาก็ไม่รู้อีกเคยสั่งสอนอัธยาศัยอะไรมายิ่งไม่รู้ใหญ่ ให้ายิ่งแบบนี้แล้วจะมาดูถูกตนเองทําไมใช่ไหมเล่าแค่นั้นเราก็ต้องดูว่ามีมนุษย์เนี่ยประสบความสําเร็จระดับสัมมาสมุท ธ, ธามีไหมมีเอาระดับปัจเจกกับพุท ธ, ธามีไหมมีอีกระดับสาวกกับพุท ธ, ธาอีกมากมายไหมอามากมายอีกสรุปแล้วมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมสักขีพยานมีทุกระดับทุกพุท ธ, ธาเลยเพียงแต่พวกเราขาดอะไรขาดความเชื่อมัน่นหนึ่งไม่เชื่อมัน่นพัฒนาคต ขเร็ตถาคตโพธิสัต t h าคำว่าตถาคตคือใครล่ะก็คือมนุษย์ท่านแรกที่สามารถบุกฝ่าฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นสัมมาสัพุทธาได้แต่พอย้อนกลับมาถึงตนเองบอกไม่เชื่อมันไม่เชื่อมั่นในมนุษย์คนนี้อย่างนี้แปลว่าไม่เชื่อมั่นมนุษย์ท่านแรกโดยมันอันเดียวกันนะถ้าเชื่อมั่นมนุษย์ท่านแรกคือพระตถาคตเจ้าก็ต้องเชื่อมั่นในมนุษย์คนต่อๆไปด้วย ที่จะสามารถฝึกตนเองตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มเชื่อมั่นหรื อ, อยังยากไหมเยอะมางุนเชื่อมั่นตนเองไหมเชื่อมั่นไหมว่าตนเองจะออกจากความเศร้าโศกได้ความหงอยเหงาได้ความซึมความทุกข์ใจได้ถ้าเชื่อมั่นก็ทําตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมเรามีหลักการมีวิธีการอยู่แล้วอ้าวหมอบีเชิญขึ้นเลนเนี่ย ไ, ไหม เนี่ยการเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้เ็าเราียกว่ามีตถาคตโพธิสัตวทีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โนตราสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการได้ญาณปัญญาตรัสรู้สี่สิบเก้าวันเจ็ดสั ป, ปดาห์ถามว่าคําว่าเสวยวิมุตติสุขในที่นั้นก็คือสุขที่เกิดขึ้นจากการได้การหมดกิเลส ท่านนั่งเสวยความสุขนะในสั ป, ปดาห์แรกเนี่ยในบทโพธิกะถาจริงๆไม่ได้อามาสวดจะขึ้นคำว่าเตนะสมเยนะพุทโธภควารุรุเวลายังเนี่ยวิหารติเป็นตัวนี้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแรก ก่อนที่จะตัดสรุปสัมมาสัมปเวร์ประทับนั่งหลังจากตัสรุปนุตตะสัมมาสมพติญานและนั่งประทับในั่ใต้ต้นประศีมหาโพที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัชลาพระเจ้าจพิจารณาเลยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจยาสังขาราสังขารและปัจยาวิญญาณัอวิชชาความมืดบอดเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจัยเกิดภาษาภาษาเป็นปัจัยเก่เวทนาเวทนาเป็นปัจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจัยแก่ดพบพบเป็นปัจัยเก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ดชรามรณาโศกปริเทวทุกขโทนัสอุปายาตมหันต์แต่ทกองทุกเกิดขึ้นได้ด้วยการอย่างนี้นี่สายเกิดแล้วท่านก็พิจารณาสายดับต่อเพราะความมืดบอดอวิชชาเนี่ยดับโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารดับเมื่อสังขารดับวิญญาณกระดับไล่มา โซกับพระริเทวทุกขโทมนะสุวพญาดก็ดับการดับเห็นวัตทุกก็มีได้โดยการพระองค์ก็แสดงพิจรารณาสายเกิดสายดับว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดพราะเป็นเดินมิจฉาปฏิบัตาเข้าสู่อวิชชาสังขารวิ ญ, ญญาณไงก็เกิดทุกเกิดความทุกขเกิดความเครียดเกิดสังสารวัฏอย่างยาวนานเพราะสัตว์ทั้งหลายรู้ความจริงในชีวิตพิจรารณาสู่สายดับก็กระชากกิเลสาดับอวิชช า, า, าดับสังขารวิญญาณก็เข้าสู่การดับกิเลสและกองทุกเป็นต้นดาน เนี่ยพิจารณาในเจดวันหลังจากนั้นก็มาที่อนิมิสเจดียืนเพ่งต้นพระศีมาโพและที่วัชระอาจเพ่งพิจารณาอยู่เจดวันไม่กระพิภเนศคิดอะไรกว่าจะมานั่งตรงนี้และได้ตัดสรุปบำเพ็ญอะไรมาทานบารมีมาเท่าไหร่ศีลบารมีมาเท่าไหร่เป็นตัอนี้อย่างนี้เป็นต้นนั่นหละก็เรกสวยมติสุดแล้วในหลังจากครบเจ็ดสัปดาห์พระองค์ก็ มีพระมหากรณาที่คุณเสด็จด้วยพระบาทป่าดำเนินจากพุทธมนทนไปที่ศาลานาฏโปรดปัญจวัคคีย์เป็นต้นแล้วก็เริ่มหมุนกงร้อยแห่งธรรมแล้วก็ทำพุทธกิจอย่างนี้สี่สิบเก้าปีไม่หยุดจนถึงวันเสด็จตับขันธปฏินิทานก็ตรงกับวันนี้เหมือนกันเราจะมาลึกถึงพระจริยาวัดพระจริยาคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทั้ง ในฐานะที่บอกว่าเป็นพุทธะจริยาในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์มากมายโลกัตถจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกชาวโลกไม่ได้ประโยชน์ปัจจุบันก็บอกให้เขาเข้าถึงประโยชน์ปนัจจุบันไม่ได้ประโยชน์ที่เลยตาเห็นพบหน้าก็บอกประโยชน์ที่เลยตาเห็นและพบหน้าไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งกับ เข็นแนะนำพร่ำสอนใหสัตว์นั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นจากรเกลเลและกองทุกข์ให้กับชาวโลกแล้วก็บาเพ็ญยาตถฐจริยาในฐานะที่ทรงโปรดพระพยุรญาตให้ได้พ้นจากรเกลเลและกองทุกข์นับไม่ถ้วนฉันพระเจ้าทรงบาเพ็ญพุทธกิจอย่างนี้อยู่45ปีไม่มีวันหยุดเลยนะจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยพระองค์ป่วยตั้งแต่อยู่เวสาลี หลังจากที่ทรงปร่งเผชนมายุสังขารเนะี่ยในพรรษาการนั้นนะ่ะอาพาธห ล, ลุ่มเล้าอาเจียนออกมาเป็นพระโลหิตถ่ายบางคนออกมาก็เป็นพระโลหิตแต่ไม่ยังไม่น้อมที่จะบริญนิพพานจนมารมาราธนาเพื่อให้นิพพานพอพระเจ้ารับอาราธนาจากพญามารเส็จแล้วพระนนไปอาราธนาต่อพระเจ้าก็บอกว่าเธอมาช้าใช่ไหม อันนี้เป็นความผิดของเธอแต่พูดเดียวก็หมายความว่าเป็นความผิดของพุทธบริษัทนะที่ไม่แอลทนาต่อจากนั้นพระเจ้าก็ไม่ไม่ไม่เข้าสมาบัตดเพื่อจะรักษากระแสชีวิตเข้าเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ดํารงอยู่ได้แล้วก็เสด็จดําเนินออกปราสามาจนมาประทับที่บ้านนายจุนทะกัมมลบุตรนายจุนทะกัมมลบุตรก็ถวายอาหารสกรลมาถวะอาหารสกรลมาถวะซึ่ง ทำให้โลกนั้นเนี่ยระ ง, งับได้ระดับหนึ่งระ ง, งับระดับหนึ่งที่สามารถพอจะมีแรงจากการเดินจากบ้านในจุธะมาที่ปฏินิพพาน12กิโลเขาเรียกว่าสามขาวุธนะเสด็จดำเนินในระยะทาง12กิโลเนี่ยพระเจ้าทรงพัก25ครั้ง25หนเพราะอะไรเพราะเดินไม่ไหวไม่เคยมีนะพระเจ้ามีพระกําลังขนาดนั้นเน่ะ แต่พะ อ, อาเจียนออกมาเนี่ยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกไม่มีพละงกำลังที่บำเพ็ญมาทั้งสียสงขัยยิ่งโดยแสนกลับหมดจนมาถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยตองกุที่สารวนโ น, ยนทยานพทธเจ้าไ้ปูราาสังกติลงบนแท่นที่กลุ่มมลลักษเขาสร้างไว้ที่อุทยานขอ ง, ของมลลักษกษัตริย์แล้วก็บอกให้พระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์เราเหนื่อยนักเราจพักเราจัาจนอน อันนี้เป็นมหาสังเวชาเนียซึ่งในภายในสี่สิบห้าปีเนี่ยไม่เคยตรัสคํานี้เลยแต่ที่พระองค์ตรัสคํานี้เพื่อเตือนสติพุทธบริษัทให้รู้ว่ากว่า จ, จะเป็นพระเจ้านเหนื่อยมากเราทํากิจของความเป็นพระบรมศาสดาสําเร็จแล้วเราจะพักเราจะนอนเราจะปริบัติเราจะตัดสังสารวัฏเราจะไม่เวียนวายตายเกิดอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วพระองค์ก็เลยตรัสปัดชิมมโอวาดบอกว่า ขันธานิพิขเวอมันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอปมาเดนะสัมปาเทตบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้มันแปรปรวนอย่างนี้มันเสื่อมไปอย่างนี้มันดับไปอย่างนี้มันคลายไปอย่างนี้มันไม่คงทนไม่ถาวรอย่างนี้ไม่มีสังขารใดนักสังขารในโลกใบนี้เป็นอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมสังขารทุกสังขารเป็นอย่างนี้หมดเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทเถิดเพื่อ เธอทั้งหลายจงยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าศีลไม่มีกระทาศีลให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทสมาธิไม่มีกระทาสมาธิเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทปัญญาไม่มีกระทาปัญญามีเกิดขึ้นด้วยความศรัทธาวุริยสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจงยังกุศลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วพระองค์ก็หยุดพูดตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็เข้าสมาบัตดออกจากสมาบัตดกับปรินิพพาน ฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และบริลนิพพานเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเราจะทําอะไรถวายเป็นพุทธบูชาที่จะเป็นกตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณเอาละเราจะสาธยายพระปริตอันเชิญมนุษย์เทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมกันฝังและกสาธยายด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพรู้ความหมาย ไม่รู้ความหมายถ้าไม่รู้ก็ให้จิตเป็นสมาธิถ้ารู้ความหมายก็ได้ปัญญาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราในบทสวดในบทสาธยายนี้และเทพเทวดาทั้งหลายมาฟังท่านจะได้ชื่นใจได้โมทนาด้วยพวกเราก็ได้ทําประวัติศาสตร์ของชีวิตในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้เราอยากทําประวัติศาสตร์ของชีวิตไว้ในโลกใบนี้ในสิ่งที่ดีๆไว้เป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละบุคคลเราจะตั้งใจในการทํำด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจ ทำสิ่งดีๆให้กับตนเองทำประวัติศาสตร์ในการมอบองเพ็ญเพียรในการมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระตถาคตมีความเพียรความกล้ากล้ามีสติไม่ฟันเฟือนเลือนหลงมีสมาธิคือความตั้งมั่นมีปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ให้เกิดที่มันยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรเพื่อความการสร้างอัธยาศัยเพื่อจะเป็นพุท ธ, ธะตามพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าให้ได้ จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามในท้ำกลางคือสมาธิความงามอันสูงสุดคือปัญญาตามวัฏฏะไม่ได้จะฝึกตนเองจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนตาหมู่แห่งอริยาสาวกนั้นได้ให้ตั้งใจอย่างนี้นะยมเนะ้